กวามน้อ น, น้ อ, นอต่อปารานาตรายต่อให้ความบริบมทยังเพื่อนจากธรรมิกทุกทุกโรเจริญในธรรมยังสมบัติเนแลว้วก็คุณแม่จีในว่าธรรมทุตุคตันเราก็นั่งฟังธรรมกันธรรมธรรมะธรรมชาติ ธรรมดาธรรมดาสิ่งเดียวกันหลายสิ่งหลายอย่างมารวมกันก็คือรูปธรรมนาธรรมมันมีความจริงแบบสมมุติกับความจริงแบบความจริงจริงๆมันก็คือความจริง ที่นักวิธรรมจะต้องเห็นฝึกหัดสติเพื่อให้ตาในตื่นมีสติก็มีปัญญาใครได้เห็นอาการต่างๆที่เป็นอาการแสดงออกมาจริงๆจากภายในใจของใครของเรากันเป็นตัวชีวิตนะคำพูดเป็นสมมตินะ เป็นภาษาที่จะสื่อเป็นการแสดงออกก็ออกมาจากจิตใจนั่นแหละการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวก็เป็นการแสดงออกจิตใจแต่ผ่านร่างกายตัวร่างกายเป็นรูปธรรมก็จะมีธรรมชาติต่างๆแสดงออกมาให้เราได้หลงหรือว่ารู้ ถลงเกี่ยวข้องก็ไม่ถูกต้องรู้ว่าแสดงออกมาอาการต่างๆแต่ไม่รู้จะทํำยังไงยังไม่หายสงสัยอันนี้ก็ปัญญายังไม่เกิดแต่แสดงออกมาอาการของกายธรรมชาติของกายแล้วเราก็ได้ทําคําตอบได้เกี่ยวข้องได้ทํากับเขาอย่างถูกต้องก็หมายถึงว่านั่นแหละคือตัวปัญญาหิว ก็สามารถทําให้เกิดกิเลสนะฮตัวหิวของร่างกายธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องมีชีวิตอยู่ต่อก็ต้องเติมธาดกันจะเรียกร้องจะขอให้เราได้เกี่ยวข้องเติมท่าลงไปเติมน้ําเติมอาหารถ้าเราไม่ไ ม, ม่มีสติก็กลายเป็นหงุดหงิดกลายเป็นโมโห หิวก็ทําให้กิเลสเกิดได้ง่วงนะเวลาปฏิบัติธรรมง่วงเนะี่ยมันก็ทําให้กิเลสเราเกิดได้นะกลายเป็นความโมโ ห, โหนะความหงุดหงิดเหมือนกับเด็กเวลานอนนะแต่ น, นอนไม่อิ่มเด็กจะโมโหนะจะร้องไห้จะงองแง่ผู้ใหญ่ก็งองแง่เหมนกันนะนะเวลาปฏิบัติรรมหรือว่าเวลาเหนื่อยมากๆทํางานเหนื่อยมากๆ มันเกิดกิเลได้ง่ายโทสะเกิดง่ายจุดหิวก็โกรธได้นะเหนื่อยก็โกรธได้เวลาไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สามารถโกรธได้หงุดหงิดได้หรือไม่มีความท้อแทนะ้เบื่อขณะที่เราปฏิบัติเราก็จะได้เห็นอาการพวกนี้แหละมนแสดงออกมาเป็นาการของกายเราเป็นอาการของใจเราของจิตจิตมันก็จะมีอาการ ก่อนที่จะมีอาการต่างๆเปน็นอารมณ์แสดงออกมามันก็คือหลงหลงก็ไปไม่รู้สึกตัวไม่มีสติไม่ปกติเพอเราฝึกปฏิบัติรำจนเห็นความเป็นปกติเหนปรากฏเล็กๆน้อยโดยว่พาะทุกขังที่มีความคิดเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเรามันมีสติตามทันเราเห็นรอยเล็กๆนะเป็นรอยของสติที่ทํางาน อย่างตรงไปตรงมาต่ออาการต่างๆก็คือไม่เข้าไปหรือว่าเห็นแล้วมันก็เลือกเป็นเลือกว่าจะหยิบมาใช้เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่การใช้ชีวิตดำรงชีวิตต้องมีหน้าที่ต่อกายต่อใจของเราหรือว่ามันไม่ใช่หน้าที่เป็นการเรียกร้องแสดงออกพกกรรมพฤติกรรมเป็นวิบากที่ทําจะเป็นนิสัย เป็นโอปิสัยแล้วก็สันดาลมันจะแดงออกมาเดือกร้กองขอร้องแล้วก็ฝืนอยู่ตรงนั้นหรือว่าปรับเปลี่ยนอยู่ตรงนั้นเปลี่ยนจากเคยทำตามอาการกลายเป็นออกมารู้สึกตัวรู้สึกตัวที่ฐานกายนนเบื้องต้นของการฝึกหัดปฏิบัติจนทางเป็นตัวปัญญามันสามารถให้ควรแยกแยะว่าสิ่งเหล่านี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าทำแล้วจะมีผลอย่างไร ตรงนั้นน้ำจะเลือกเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องต่อไปถ้ารู้ถูกก็เกี่ยวข้องถูกถ้ารู้ผิดก็เกี่ยวข้องผิดตรงนั้นราะกายเป็นปัญหาขึ้นมามากมายแล้วเกิดก็จึงต้องใช้ประสบการณ์ทําต่อเนื่องเพื่อที่จะเรียนถูกเรียนผิดซ้ําๆเรียนถูกก็เรียนซ้ำๆเรียนผิดก็เรียนซ้ําๆการหลงเข้าไปในความคิดบางทีมันคิดแบบคิดถูกมีกลุ่มคน หรือว่ามีสังคมหรือว่ามีกติกานะของตัวเราเองร่ว อ, อยู่ระหว่างสองคนขึ้นไปนะเป็นสิ่งที่แสดงออกมาแล้วทางกายทางวาจาหรือว่าระบบความคิดจําเป็นหน้าของการยึดการยึดร่วมกันนะนะการยึดถือนะเป็นว่าธรำเป็นนี่อะไรต่างๆแล้วก็แสดงออกต่อกันอย่างนะี้ อันนี้เป็นสมมติบัญญัติแต่ว่าลึกๆข้างในเนี่ยเวลาเราปฏิวัติธรรมอาการต่างๆที่ปรากฏออกมานั่งเดินยืนนอนทินขับถ่ายต่างๆหรือว่าการคิดนึกปรุงแต่งบางทีมันมีสัญชาตญาณออกมาซึ่งมันเหนือโลกจริงๆเหนือถูกเหนือผิดเหนือเหตุเหนือผลจริงๆมันเป็นธรรมชาติเวลาทีเราก็คิดว่าธรรมชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่ว่ามันรู้ไม่รอบ หลวงพ่อำเขียนนันกันเลยบอกว่าให้รู้สมมติให้รอบนะรู้รู้รอบนะต้องรู้รอบจริงๆทุกแง่ทุกมุมตัณใจก็ว่าทุกแง่และทุกมุมก็มหมายถึงว่ารู้มันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าดูแล้วพอใจไม่พอใจหรือว่าเห็นแล้วพอใจไม่พอใจไปสรุปจาเป็นผิดเป็นถูกเป็นเหตุเป็นผล เป็นกุศลนะกุศลต่างๆเหนือนั่นมันมีเหนือก็คือมันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละมันเหนือไปอีกทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ค่าก็นไปได้ไปรีบสรุปมันก็ไม่ถูกนะ เ, เช่นว่าหลายคนสรุปกันว่าพลังของชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตพืชทีวีชีวิตเกิดมาจากพลังของแสงพระอาทิตย์อย่างงี้ยนะก็สรุปกันอย่างนั้นนะแล้วในที่สุดเนี่ย ก็นึกว่าชีวิตเนี่ยจะอยู่บนผิวดินเท่านั้นมีแสงตรงไหนจะมีพลังแห่งมีชีวิต เ, เกิดขึ้นตรงนั้นครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ดำไปใต้สะดือทะเลมันมืดมิดมากเมื่อแล้วมีภูเขาไฟใต้ทะเลซึ่งความร้อนประมาณ350องศาเซนเซรดตะลึง เ, เจอสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้น ใจพลังงานจากใต้พื้นดินใต้โลกของเราแต่แล้วมันสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างผาสุกได้เหมือนกันคือมีวงจรอาหารห่วงลูกโซ่ของอาหารเกิดขึ้นแล้วก็มีพืชมีทั้งกุ้งมีทั้งปลามีสัตว์สาราสิ่งต่างๆมากมายเหลือเกินแล้วในราวาของภูเขาไฟ ม, มันก็มีสิ่งมีชีวิตอยู่ เขาก็ตะลึงมากโอ้พลังงานความร้อนมันสามารถสร้างตัวชีวิตได้แต่ว่าผู้ที่จะทนอยู่ได้เนะี่ยมันก็เป็นความสามารถของธรรมชาตินะที่สามารถทําให้จิ่งมีชีวิตเกิดพลังชีวิตแล้วใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างผ า, าสุกนะเกิดเป็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดมากบางอย่างมีแสงในตัว ทั้งที่ตาบอดแต่ระบบประสาดีเงี้ยไม่มีลูกตาไม่ต้องใช้ลูกตาแต่ใช้ระบบประสาทสัมผัสเนี่ยแล้วก็ไวมากทํางานอย่างไวมากหาหารได้อย่างแม่นยําจับเป้าเคลื่อนไหวเนี่ยพริบตาเดียวเลยเงี้ยผมหลัมาดูแล้วว่ามีความสึกสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นผลงานของธรรมชาติที่สร้างสรรค์มันเป็นผลงานวิธีสร้างนะ ที่ธรรมชาติสร้างอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็แยกกายหมองกับพบภูมิต่างๆที่มีอยู่ในโลกใบเนี้ภูมิของเปรตสนรกอสุรกายไบยพุลมหรือว่าเป็นเรื่องของเทวดาพรหมเป็นเรื่องของพระต่างๆซึ่งเราไปแิบติธรรมสามารถเห็นได้เลยในตัวเราะเห็นถูกเห็นผิดเป็นยังไงเห็นบุญเห็นบาปเป็นยังไงเห็นทุกข์เห็นสุขเป็นยังไงไม่เห็นทันทีอาการปฏิบัติแต่ว่า เราสามารถดีเกี่ยวข้องกับอาการเหล่าเนี้ยอย่างไร เ, เกี่ยวแบบหลงเข้าไปเป็นตันหาวัฏฐานเป็นตันหาคือพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบแล้วก็ยึดนแต่สุข ก, ก็ชอบถ้าทุกข์ก็ไม่ชอบยแล้วยิ่งไม่ชอบยิ่งไปผลักก็ยิ่งยึดนมันเดินเมื่อยอย่างนี้นไม่ชอบมันเดินแล้วง่วงเงี้ไม่ชอบนั่งยกมือสิบสี่อย่างเงี้ยง่วงไม่ชอบน จริงๆสิงงง่งเหล่านี้กำลังบอกทิศบอกทางเหมือนเลยเป็นการจเจริญเติบโ ต, ตของภูมิจิตภูมิธรรมของสติสมาธิปัญญาความรู้สึกตัวทั่วสระบางกายมันเกิดจากตัวหยาบหยาบก่อนเมื่อมีหยาบหยาอาการหยาบหยาก็แสดงออกคู่กันไปเป็นนามธรรมมันมีความรู้สึกตัวกระทบสัมผัสหยาบหยามันก็ไปรู้ความคิดหยาบหยาบที่เป็นนามธรรมเราเห็นวะ่ความคิดหยาบหยามันมา ความทุกข์เก่าๆที่แก้ไม่ตอกันมาก่อนเนจ้นทาท่านมันเริ่มมีรอยสํานึกดีเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ติดดีอีกนจนพอใจไม่พอใจอะไรี้สังเกตไม่ยากแต่ถ้าเราอยู่ง่งายๆอยู่ง่งายๆแบบอยู่แบบปัจจัยสี่เราวางไว้ น, น้อยๆเลยนะวางไว้ น, น้อยๆวางจิตวางใจวางกายไว้ใช้น้อยๆอย่างพระบวชก็บอกให้ใช้ผ้าสามผืนนี้เป็นต้น หรือไอใช้ลักษณะงการปิณฑบาตอาหารตามมีตามได้เป็นต้นไม่ได้ขนขวายซื้อมาเนี่อยากไออยากทานไอศครีมอยากชานไอศครีมก็ต้องนั่งรถไปตลาดกันอยากกินโคกิกนแ ป, ป๊บซี่ก็เดินไปนอกวัดนอยากกินขนมนมเนยก็เดินไปหน้าวัดก็มีร้านขายของอะไรเงี้ยอาการของกิเลสทังนั้นเลยเราสังเกตไม่ยากแต่ถ้าเป็นลักษณะของนักปฏิบัติก็คือนั่นแหะอาหารหอ่อ ก็คือครัวก็จัดไว้อย่งไรแล้ว เ, เรียนรู้มันเอาความหิวมาเป็นปัญญาเอาความเหนื่อยจากการทํางานทําการแล้วการปฏิบัติมาเป็นปัญญาเอาความง่วงดิมปรากฏขึ้นมาเนะี่ยมาเป็นปัญญาเราไม่ได้ทําตามมันตรงนี้มัจะเกิดพัฒนาการอย่างว่องไวเลยนะลองทําดูนะเก็บอารมณ์เข้มอกิกสี่สิบวั น, ะนลองดนะูอยู่แบบอยู่ไปวันวันหนึ่งเลยนะ อยู่แบบสังกัตตายไปวันวันึังแล้นะได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอานะไม่ขนขวายอะไรไมันต้องหมดนะอยู่แบบเคลื่อนไหวรู้สึกตัวแล้วดูอาการกันไนมันปรากฏออกมานะเราจะทนได้ไหมฝึกฝืนฝึกฝนลดละเลิกเนะี่ยตรงนะี้มันจะเกิดขึ้นมาเราจะทําได้ไหมนะสติปัญญาจะพาไปทิศทางไหนนะลองเรียนรู้ดูสี่สิบวันนะอยู่แบบไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่ไปวันวันอยู่แบบไม่คิดว่าจะได้อะไรเลย ธรรมะยิ่งปล่อยยิ่งวางยิ่งดีนยิ่งยึดยิ่งหนักปณิธ ร, ร, รนนี่ยิ่งปฏิบัติยิ่งเหมือนกับเครียดแล้วก็ทุกมากกว่าเก่ากลายเป็นความโง่แล้วก็อ่อนแอไปเลยอยู่กับโลกรู้จะทํำยังไงเลยนะออกไปงงเลยเป็นไก่ตาแตกเลยซึ่งโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกวันนี้นะจะทํำยังไงกับมันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ว่องไวรวดเร็วนะบางทีเราแก่ลงตาก็ฟ้ า, ฟาี้ย ดูตัวเลขเล็กๆไอโฟนห้าโทรศัพท์มาดูก็ไม่เห็นแล้วะพราเบอร์ไปหมดมันตา่างไม้ทันแต่ว่าเราดูข้างในมันแจ่มนะแต่ภาวะข้างในตาในของเรามันเปิดดูตัวอาการต่างๆภายในมายละเอียดตาคมๆตาเปิดเปิดกว้างๆมันก็จะมีะรายละเอียดให้เราได้เห็นมากมายแล้วเกินก็เรียว่าทุกแง่ทุกมุมนั่นแหละนะมันกลายเป็นเรื่องของรูปทํนาน้ำทำขันห้าเนะ่ย อยู่ตัวเรายิ่งชัดเจนทุกครั้งที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวกลับมาดูตัวกายตัวใจวัตถุรู้ธรรมคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็จะนําเราไปนําเราไปสู่คล้ายๆกับปัญหาทั้งหมดถูกแก่กลายเป็นเรื่องการประสบการณ์ที่มันมีอยู่แล้วก็เป็นเรื่องของกําไรชีวิตนั่นแหละกำไรชีวิตว่าโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันมีพัฒนาการต่างๆ เราห้ามมันไม่ได้แม้กระทั่งโรคก็เหมือนกันโรคในตัวเราเมันก็มีสายพันธุ์ใหม่โรคาพยาธิต่างๆเป็นความทุกข์มันก็มีสายพันธุ์ใหม่แก้ก็ไม่จบไม่สิ้นนะประเด็นความรู้สึกตัวนะมันเป็นตัวแก้ตัวแก้ความทุกข์ที่เกิดจากร่างกายของเราโรคาพยาธิหรือว่าความทุกข์ที่เกิดไปในจิตใจเป็นวิบากกรรมต่างๆเมื่อถูกแก้ทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัว รู้สึกตัว kicking. อันนี้เราเป็นบ้านของจิตเป็นทีพ่พักของจิตของใจเรามัานพ้นจากอาการต่างๆอาการของกาย ก, ก็ที่เรียกว่าเป็นโรคเป็นความทุกข์ต่างๆอาการของจิตใจก็ที่เรียกว่าเป็นโรคปัญญากันความกอดนี่ถือว่าเป็นโรคความโรคความหลงนะความหลงโดยเฉพาะนี่เป็นความโรคเป็นโรคนะเป็นกิเลสตัวพ่อทีเดียวนะตัวหลงนี่เป็นกิเลสตัวพ่อ เะนั้นมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่มันแก้กันเลยทันทีเลยแต่ความรู้สึกตัวมันเกิดได้หลายแบบแบบแรกก็คือเคลื่อนไหวรู้สึกแบบหยาบสุดขณะที่เรายกมือสร้างชั่วเคลื่อนไหวรู้สึกแบบหยาบสุดถือเป็นงานหลักก็ว่าได้เป็นอาชีพหลักก็ว่าได้ถ้าอาชีพหลักทําเป็นเดีย๋ยวมก็งานละเอียดก็เกิดขึ้นมาเวทนาจิตทรมมันก็ถูกเรียนรู้มันมีอยู่แล้วล่ะบทเรียนเหล่านี้เพียงแค่ว่า กำลังของสติปัญญามันจะมีกําลังมากพอสมจากสีกับนักปฏิบัติหรือเปล่ามันถึงจะผ่านเวล า, าจิตแลรร้วก็ทำถ้าเราตั้งอกตั้งใจดีๆเป็นนักเรียนที่ดีอยู่ห้องเรียนกรรมฐานดีๆอยู่รูปแบบของการฝึกหัดปฏิบัติดีๆเบื้องต้นนะไม่นานหรอกนะไม่นานหลวงปู่เทียนก็ท้าทายแล้วไม่เกินสามปีท้าทายเลยนะแถมอาิฐานว่าถ้าหากว่า ทำแล้วไม่รู้อะไรนะจ่ายตังค์ให้ด้วยเดือนละ 1,000-2,000-3,000 แล้ว1ม0 0น0อ0ห0 0นจ่ายให้อธิาฟังดูตรงนี้มันมันกินใจนะว่าคำท้าทายระดับเนี่ยมันถ้าไม่ไม่ไม่เป็นอย่างที่ปากพูดนะโกหกคำโตเรือไม่ก็ปราชิกไปแล้วนะแต่ถ้ามันจริงขึ้นมานะเราเสียดายที่เราไม่ได้ทดลองดูไม่ได้ให้โอกาสตัวเอง พื่อนมน่าเสียดายเกิดมาเป็นคนตั้งทีวิชาดีๆมีอยู่ในโลกนี่แล้วคนก็พูดออกมาแสดงออกมาอย่างท้าทายแล้วก็ไม่มีใครไปว่าเลยนะไม่มีใครไปตาหนิไปหักล้างเลยนะทุกคนก็จํานนยอมเพราะทุกครั้งที่มีคําถามท่านก็ตอบได้อย่างฉช า, ช า, ช า, า้านเอาไหมแล้วก็คนไม่มีความรู้ไม่ได้จบปริญญาอ่านหนังสือก็ไม่ออกพระไตรวิตร์ก็ไม่ได้อ่านน แล้วก็พูดมาได้แล้วก็ยอมรับกันว่ามันตรงเลยนะมีหลายคนไม่ต้งระดับศาสตาจารย์นักวิทยาศาสตร์ระดับประเทศไทยมือหนึ่งเลยคืออาจารย์ละวีพาวิไลยอย่างเงี้ยท่านก็สยบเลยกลาบแทบเทา้าหลวงพุทเดียนไปหาที่ธรรมสถานจุฬาซึ่งที่นั้นหลวมาุทเยไสอนมาเมื่อสมัยสิบปีก่อนธรรมสถานจุฬาทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องไปอยู่ที่นั่น อาจารย์ละวีก็จะสอนอยู่อวิทามันอยู่ด้านในเราจะนั่งสอนอยู่ข้างนอกจุดสี่ยังไงเราเห็นเลยแล้วอาจารย์ลวีภาวิไลเนี่ยน้าตาไหลกับหลวงพเทียนันคือไหลเพราะว่าท่านมาในงานของอาจารย์ละวีโดยท่านบอกว่าต้องไปช่วยอาจารย์ละวีอย่างนี้ซึ่งหรือว่าโคธมารยาอะไรวะเนะี่ยที่อ้างตรเนี้ก็คือขนาดพวกนี้นะคิดมากนะ แล้วก็ความคิดเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลมากก็ยอมยอมได้เชื่อเรื่องการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวแล้วก็ทําต า, า, ามเนี่ยรั่วหมอที่เป็นรางวัลแม็กซ์ไซส์หมอประเวศวัชสีบุคคลเหล่านี้ยมามีความเชื่อว่าเขาไม่งงนะไม่งงหลังจากที่เลแล้วเกิดผลขึ้นมาออกจากความคิดได้มันก็เลยเป็นเรื่องที่คําพูดของเขาจะมีความหมายมีพลังมากๆ แล้วคนก็เชื่อซะด้วยว่าการเคลื่อนไหวแบบเนะแนวหลวงปู่เทียนเนี่ยสามารถดับทุกข์ได้จริงนะหลายคนก็จึงหันกลับมาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวก็มีอยู่คนหนึ่งนีก็คือตอนนี้ก็ามาอยู่กันลูกหลานก็ามาอยู่กันห้องเนี้ยบ้านข้างหน้าเนี่ยบางสกุลเขาเปลี่ยนเป็นธรรมะพานนันแล้วก็กลัวเลยหลังจากที่กระจายธรรมะระดับหนึ่งเป็นข้าบาดีเนี่ย เดิมทีก็เป็นอีกนามส ก, กุลหนึ่งหลังจากบ้านนี้เขาเข้าใจธรรมะกันเนี้ยก็ใช้นามสกุลใหม่ธรรมะพา น, นันอย่างเนี้ยเราดูแล้วหลายคนมีผลของการปฏิบัตขึ้นมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงมีความสุขทั้งทางโลกและมีความสุขทั้งทางธรรมอย่างเงี้ยทางธรรมก็มีการปธรรมทำอะไรก็มีความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมาบ้านกัไฟไหม้บ้านกับน้ําท่วมอย่างเงี้ย น, น้ำท่วมกงเทพแล้วพ่อกระตายในปีเดียวกันอย่างเงี้ย นะหลายสิ่งหลายอย่างและปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองกลุมแล้วแต่เขาก็สบายอะไรที่ไม่ดีก็แก้ไขไปใจไม่ทุกข์อย่างนี้มันก็มีแบบนี้นะทํา ร, รกันไว้วงเงินมากมายแล้วเกินนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อย่างที่ใจคิดหรอกนี่นะควรได้มันก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพัดผ้าจากของรละของชอบใจก็ไม่ทุกข์นะ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ไม่ทุกข์เนี่ยนะแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมามากมายก็ยังสงบเย็นเนี่ยแล้วก็ได้ทําประโยชน์มากมายแล้วกันกับศาสนากับประเทศชาติกับชุมชนสังคมต่างๆเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจเสมอต้นเสมอปลายกับคนทุกคนเนี่ยพวกนี้นเป็นคุณธรรมนะแล้วมันก็เกิดมาจากการปฏิบัติธรรมบุคคลพวกนี้มากว่าจ ะ, ะเกี่ยวข้องได้แล้วก็ พาปฏิบัติจนกระทั่งนมะีความสุขระดับเนี่ยต้องมีเคล็ดลับนิดหนึ่งนะพวกนี้เป็นคนที่ทําบุญเยอะนะลัวรอบวัดี่กระจาโบสหลวงพ่อกระจายกุฏิหลวงพ่อก็ใจายมิวเซเว่นกระจาที่ขับอยู่ทุกวันเนี่ยนะทําบุญกุฏนะิสาลาหลายหลังเนียนะสร้างนะทุกครั้งที่มีการกอร่อสร้างเคยใช่ไหมครับจะต้องทําบุญนะแล้วพวกนี้ก็ทําบุญนะบอกเลยประกาศบอกเลยว่า เขามาทีก็ให้เยอะแล้วก็มาแค่สองคนนะสัมผาสัมผัสเราไม่เคยกินข้าวโต๊ะใหญ่ไม่เคยแต่ถ้าถาวายพระในโต๊ะใหญ่เต็มที่นะตัวเขาเองในข้าเหนียนวไก่ย่างเล็กๆก็กินกันในรถเนี่ยคนเขามีตังค์นะไม่ต้องพูดถึงว่าล้านสองล้านสิล้านร้อยล้านไม่ต้องพูดนะพวกนี้แต่ว่าเขาทำตัวเนี่ยเลยเห็นว่าโอ้สูงสุดสูด่สามัญเป็นี้รวยมากๆก็อยู่แบบนะธรรมดาธรรมดา เมื่อวานเมื่อวานนั่งรถไปกับครอบครัวเนียด้วยก็มีคำพูดอยู่ประโยคนึงเอมาก็สะดุดใจว่าคนรวยก็แกล้งจนส่วนคนจนแกล้งรวยไอ้ตัวแกล้งตัวเนี้ยมันก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งก็คือลักษณะของตัวกลุ่มตัวแกล้งแต่ว่า ถ้าแกล้งโง่น่ยแกล้งโง่ตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของปัญญาตัวหนึ่งแกล้งจนก็เป็นปัญญาได้แล้วก็แกล้งอีกหลายๆอย่างมันกลายเป็นเรื่องของการอยู่แบบสมมตินั่นเองสมมติมันจะแกล้งหน้าดูแล้นะตัวสมมตินีมันจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปอยู่นั่ น, นเพื่อให้เป็นรู้รลบเป็นปีกรู้หลีบเป็นหนางมันจะจะายเป็นตัวปัญญาอยู่กับสมมติในโลกใบนี้ โลกก็ไม่ช้ําทําก็ไม่เสียเป็นตัวปัญญามันก็แปลกดีนะตัวนี้มันเหมือนกับหลอกลวงแะแต่ว่ามันกลายเป็นตัวปัญญาขึ้นมาเพราะว่าอยู่กับโลกนะบางทีไปแสดงตัวมากๆเด่นเป็นไพร์นะแสดงตัวฉลาดมากๆเดี๋ยวได้เรื่องรวยมากๆเดี๋ยวได้เรื่องมันกลายเป็นเรื่องที่ว่าท้ายสุดนะมันจะกลายเป็นความทุกข์อย่างสามรอบถูกหวยแกล้งรวยแต่มันรวยจริงๆขึ้นมาน่ยมันไปแสดงออกอะท้ายสุดก็คือกับไปจาร์เหมือนเดิม อารมณ์นี้คืออารมณ์วิปัสสนูอารมณ์วิปัสสนูก็คือหลังจากที่มันรู้รูปรู้นามนะความคิดเนี่ยมันจะทักรวมมาทั้งหมดเลยเนะเป็นความคิดดีก็มีความคิดไม่ดีก็ามานะแล้วมันหลงก็ไปนในความคิดนะส่วนใหญ่เป็นบุญนะนะเป็นบุญดีก็มีไม่ดีก็มีแล้วทยสุดมันหลงก็ไปนในความคิดตรงเนี้ยมันไม่รู้สึกตัวเพราะเราไปปฏิบัติปั๊บอย่าไปกลุ่มจับกลุ่มคุยกันนะเก็บอารมณ์เข้มนะ ใครมาเกี่ยวอารมณ์เข้มไม่ต้องเป็นลำดับญานิไม่ต้องไปนั่งพูดนั่งคุยกันอยู่ที่ฐานว่ายังปฏิบัติธรรมให้มากๆโดยเพราะห้องเรียนกรรมฐานที่ไปกลางเต็นท์ก็อยู่เนี่ยเป็นเขตงดพูดเพื่อภาวนาไม่ใช่เป็นเขตลำดับญานิใครที่ไปนั่งพูดคุยสนทนาหรือว่าโทรศพัพท์น่ยงดซะมีแต่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวสนามนี้ยยกมือสั่งขีหวาสนามนี้มาจะรับผิดชอบเองถ้าผิดจะรับผิดชอบเอง แต่ถ้าไม่ทำแล้วมันเดินผิดทางนะแม่เลยไม่รู้เรื่องด้วยนะถ้าจะรับผิดชอบกระพูดอยู่เดี๋ยวนะีว่ า, าพยายามไม่ต้องทําอย่างอื่นมากในช่วงแก่วล้งเข้ม40วันข้าวก็กรหุงให้กินไม่ต้องฝนก๋วายนะแล้วก็ไล่อยู่กันนะพยายามที่จะใช้ลานหินโค้งให้ถูกใบไม้ไม่ต้องไว้กว่าเลยแม้แต่ใบเดียวไม่ต้อ ง, นะ อ, งอันนั้นนะั่นมันคือดำรนะิการดาริภายในจิตใจของเรานะแต่หยิบได้ เวลาเดินจงกรมเนะี่ยใบไม้มาหลงลงมาที่ลานหินคองหมายถึงว่าเาที่แผ่นหินนะนะหรือว่าที่ทางเดินเราหยิบเวลา ง, ง่วงอ่ะหยิบไปทิ่งยงจะใบมันก็หายง่วงแล้วรุ่นมีความคิดลองหยิบเข้ามาก็ได้เอาหยิบเข้ามาหนึ่งใบเวลาคิดเน่ยหยิบมาใบหนึ่งเสร็จแล้วมันคิดอีกหยิบมาอีกมันคิดสักร้อยครั้งดูว่ากองจะโตขนาดไหนนะฝึกจิตอย่างนี้ รู้ว่าเอางี้ก็ได้นะเทคนิคปฏิบัติเห็นกายเคลื่อนไหวอยู่ใช่ไหมพอจิตมันคิดนึกปงแต่งเนะี่ยเวลามันคิดปับ๊บนะหยุดเดินพอมันไม่คิดแล้วเดินต่อลงแก้งเลยนะมันจะรู้ความคิดได้ไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นมันก็เราตั้งใจใส่ใจในการทํางานแยกกายในการทํางานนะนะนะบ้านนะที่เรียกว่าธรรมพานันนะี อาบาก็เลยร่อใ้เขามาปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่ได้ใช้สถานที่แบบนี้เพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยไม่ได้ชอบรับประทานอาหารในวัดชอบที่จะพึ่งตัวเองมากที่สุดแล้วช่วยเหลือคนอื่นมากที่สุดอาบากก็เลยใช้รีสอร์ทที่หนึ่งที่เพชรบูรณ์เขาเกาะทรเลภูจองตั้งก็ เ, เห็นอารมณ์บในตัวเขาชัดเจนมากเลย โอ้ที่ผ่านมาเนี่ยก็หลงอารมณ์บุญนะอะไรเป็นของดีของขลังนี่ไปหามาเต็มบ้านไปหมดไกลขนาดไหนก็ไปหมดเงินขนาดไหนก็ซื้อยแต่ตอนหลังในยุดติเรื่องตรงนี้เลยกลายเป็นเรื่องว่ากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวขยันเห็นคุณเห็นค่าของการเคลื่อนไหวมากเวลานั่งรถนั่งเรือนี่ก็ใช้นิ้วกระทบสัมผัสรู้สึกตัวแล่เวลาพูดคุยก็จะคุยน้อยมากนะ แล้วคุยนุ่มนวลเสียงเย็นเย็นสบายใจเวลาฟังใจนําเสียงที่มันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาตินะเวลาพูดกับลูกน้องไม่มีดุดา่าจะพูดกันเย็นเย็นด้วยเหตุด้ยผลธรรมดาธรรมดามีวันหนึ่งกขาล้างรถอยู่คือรถมีหลายคันนะนะเขาล้างรถแล้วปรากฏเราก็เห็นความคิดชัดมากเลยวันนั้น่ะก็เห็นความคิดขณะดล้างรถของเขาเขาบอกโอ้โหมันเหลือเชื่อจริงๆริ คำว่าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าทําอะไรก็ตามใส่ใจกับการเคลื่อนการไหวปรกวากฏไปเห็นความคิดเนี่ยโอ้โหเขตะลึงมากเลยนะเขาเล่าให้ฟังนะแล้วก็ผูสูสภาว่าได้ตรงไปตรงมาแหละเหมือนกับพระเท่พเดินถึงตรงนี้แล้วเดินถึงตรงนี้เดินถึงตรงนี้มันเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นลอยเดียวกันนะปฏิบัติธรรมมันเห็นสมมติก็เห็นสมมติเหมือนกันเวลามันเจอประมัดก็เจอเหมือนกัน เจอสติก็จะเจอเหมือนกันเจอศีนก็เจอเหมือนกันเจอตัวปัญญาก็จะเจอเหมือนกันเป็นอ า, าการที่แสดงออกมาภายในใจของใครของเราก็ต้องกลับมาดูตัวใครตัวเราเราจะไม่ได้ออกไปข้างนอกนไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่คําพูดที่ว่าเออเห็นโยมคุยกันหรือเห็นโยมโทรศัพท์เห็นโยมขวาไปไม้นะอันนี้หมายถึงว่าเราเดินผ่านมาทุกวันอยู่แล้ว เราก็เห็นธรรมชาติของสถานที่เห็นธรรมชาติของคนอยู่ทุกวันแล้วเราก็เห็นตัวเราแล้วเราก็ใคร่คลวนอยู่หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเอบอกดีนะหรือไม่บอกดีนะเราจะให้คุณหรือจะอยู่เฉยๆไม่ให้คุณไม่ให้โทษดีนะหรือจะบอกเหมือนกับการลงโทษแต่ว่าไม่ใช่ลงโทษนะเป็นความปรารถนาดีไงเราก็ใคร่คลวนประสมค์กลวน หลายครั้งที่ความคิดเกิดขึ้นมาว่าจะบอกจะบอกจะบอกแต่ไม่บอกแต่ไท้ายสุดเอาเธอนะี่ยมันผ่านไปหลายวันแล้วบอกสักหน่อยหนึ่งจะไดนะ้ประโยชน์กับผู้ปฏิบัตินะเป็นการทําบุญอย่างเงี้ยนะเป็นการทําบุญนะเพราะว่าการบอกการชี้กนันนาทัดชี้ถูกนําถูกนําเป็นบุญให้ธรรมะเป็นทานเป็นบุญสูงสุดเนะ่ยนะแหมทําไม่ทำแล้วก็เสียดายนะเสียดาโอกาสนะแต่ว่าก่อนที่จะบอกต้องให้เขาลองผิดลองถูกสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยนะอันเะนะีนะ้ยนะนะ ก็เลยไข้ควรแล้วติดเตือนเราโดยสิ้นได้หรือไม่พู้ใดใจที่เป็นปกตินะพูดด้วยแล้วนะความปรารถนาดีต้องการให้เกิดปัญญาปรารถนาดีต้องการให้เกิดความสงบเนี่ยปรารถนาดีอยากให้เห็นธรรมเนะี้ยอ่ะเราก็เลยเกี่ยวข้องกันนแต่ถ้าหาว่าเกี่ยวข้องเราทำให้กิเลสของใครเนี่ยมันเหมือนกับว่าจิตตกเ้วก็ไปทันได้รู้สึกตัวเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะ ให้กลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวเลยเป็นตัวแก้อารมณ์ของตัวเองกันอารมณ์ปฏิบัติมันจะมีนะก็คือลักษณะของหนึ่งการเห็นกายเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้กันหรือย่างสองก็คือจะเห็นลความคิดมันเคลื่อนไหวรู้สึกขณะที่จิตคิดทาใช้เนื้อสมองเราอยู่ที่กายนะั่นนะสก็คือเวลามันคิดไม่ว่าจะคิดดี หรือไม่ดีมันก็คือความคิดแต่ความคิดไม่ดีมันจะเกิดขึ้นมาก่อนสี่ก็คือความคิดดีมันเกิดขึ้นมาเราจะติดยึดนะคืออารมณ์บนนะนะเราตรงเนี้มันจะไม่ไม่ปฏิบัติธรรมมันจะลดฐานทันทีคือไปทําดีให้ถึงพร้อมสี่ก็คือหลังจากที่เห็นความคิดแล้วเนี่ยนะนะรู้ทันความคิดเนะี่ยตัวสติมันจะเด่นขึ้นมานะความเป็นปกติจะเด่นขึ้นมาห้า พอความเป็นปกติมันเด่นขึ้นมามันก็จะเห็นสามตัวนะคือมีสติเห็นกายมีสติเห็นจิตมันจะเห็นจิตสอนจิตแล้วมันจะเห็นสติสอนจิตสติรู้สติท้ายสุดนั่นคือสติมรู้สติในนั้นจะมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ด้วยมันก็จะเห็นความบริสุทธิ์ว่าเออกายมีศีลเป็นไงใจมีศีลเป็นยังไงรูปธรรมมีศีลเป็ไงนามธรรมมีศีลเป็นยังไง ถ้าสี่บริสุทธิ์ยังไงหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบริสุทธิ์เป็นยังไงมันจะเข้าใจตรงนี้แหละมันจะรู้ในแง่มุมต่างๆทุกแ ง, ทกง่ทุกมุมเพราะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านพูดนะเราจะรู้ทันทีว่าท่านเดินทางตรงไหนท่านจงอารมณ์อะไรมาหาเราก็คือสิ่งเดียวกันโกหกกันไม่ได้ตรงนี้ยหลอกลวงกันก็ไม่ได้แล้วเวลาพูดขึ้นมานะเราแสดงออกขึ้นมาตรงนี้มันพังเลยนะ อธรรมกะธรรมะอาธรรมกะธรรมะอาธรรมกะธรรม ะ, รรมะหรืว่าจะลอยตัวจะลอยตัวไปเลยเป็นภาวะของการว่างจากความหมายความเป็นตัวตนสภาวะตัวนั้นนะ่ะอัรมามีความเชื่อส่วนตัวว่าทําอะไรก็ไม่ผิดที่เราทําอะไรก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เราเป็นผู้กระทำํำยังอยู่กุฏิใหญ่ๆนะก็ไม่ผิดบอกเลยไม่ผิดแล้ะไม่ใช่ความโรกเลเป็นเรื่องของราบสกาแล้ว มีคนให้ซองก็ไม่ผิดเป็นเรื่องของราษาร์ละไม่ผิดเลยบางคนก็มาถามว่าถวายตังนี่ผิดไหมพระรับตังจับตังผิดไหมยยผิดตรงไหนคือกระดาษชิ้นหนึ่งแล้วน้นโลกสมมติขึ้นมามีมค่านี่คือแบงค์อะไรนี่คือแบงค์อะไรนี่คือแบงค์อะไรค่ามีเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ตามสมมติของสังคมของโลกไปเนีน่ยถ้าใครยึดมากๆได้เป็นอย่างพมา่า ก็คือพมา่าเนี่ยมันยกเลิกสกุลเงินจาร์ดเงี้ยนะยกอยู่สองครั้งเศรษฐีเนี่ยกลายเป็นยาจกไปเลยอย่างเนี้เป็นต้ น, นเพราะฉะนั้นเป็นเพียงแค่มูลค่ากระดาษใบ น, นึงเท่านั้นรู้จักใช้รู้จักโยกย้ายครนี้ลักษณะของ อ, อคนที่ไม่มีสติเนี่ยน ะ, นะถึงจะได้มาด้วยความไป็นส่วนกล า, ายเป็นความทุกข์ขึ้นมากลายเป็นตัวกิเลสขึ้นมาเพราะนั้นลักษณะการอยู่หลายสิ่งหลายอย่าง มันอยู่แบบเหนือชั้นมันมีอยู่อยู่เหนือแบบสมมุติเนี่ยมันมีอยู่นะโดยที่ใจเราไม่ต้องทุกข์ก็ได้การนั่งการเดินการยืนการนอนนั่งเดินยืนนอนให้ทุกข์ก็ได้นั่งเดิ น, นยืนนอนไม่ต้องทุกข์ก็ได้วิธีคิดกันเหมือนกันคิดให้ทุกข์ก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้เพราะนั้นะมันทุกแง่ทุกมุมทีเดียวนะจะกระทั่งหมายถึงว่าใช้ชีวิตทั้งวันนะเหมือนก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันมีอยูนะ่มันไม่ได้เป็นกรรมอะไรในใจเราไม่ได้มีเป็นกรรมอะไรเป็นความบริสุทธิ์จริงๆ เพราะฉะนัะ้นจึงเห็นจากตัวเรานี่แหละที่มันค่อยๆพัฒนาไปจนกระทั่งเหมือนกับว่ามันเกิดความเป็นปกติความเป็นปกติมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวล า, วลาอันนั้นคือสภาวะความรู้สึกตัวที่มันรู้ในตัวละเอียดมันรู้ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกตัวเบื้องต้นเองรู้กายรู้เวนารู้จิตรู้ธรรมธรรมะธรรมชาตินี่นแหละ เราก็จึงมาเดินจงกลมหรือว่าเคลื่อนไหวรู้สึกตัวหรือว่าทางในรูปแบบนอกรูปแบบเพื่อให้เกิดความจานานหรือว่าเกิดประสบการณ์ที่มันทําเป็นขึ้นมาทําเป็นจริงๆเนี่ยคือมันเห็นทำเห็นเรากําลังคิดกําลังพูดกําลังทําเห็นร่างกายของเราที่มันกำลังแสดงออกมาเห็นจิตใจของเราที่มันกําลังแสดงออกมาตรงนี้แหละมันสนุกดูสนุกดูสติมนันออกหน้าออกตา ตุกังที่มีอาการปรากฏขึ้นมามันก็รู้ทันทันทีมันมีอยู่จริงๆโดยไม่ต้องร้องขอด้วยนะตรกเน่เราก็จึงประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะเพราะว่ามันมีจริงๆหลวงปู่เทียนก็พูดตรงไปตรงมานะหลวงพ่อเกษนท่านก็พูดสภาวะผู้ดนะูเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็ปฏิบัติตรงลงไปที่กายที่ใจตรงต่อสัจจะความจริงนะสัจธรรมที่มันมีอยู่ตลอดเว ล, เวลาดัะนั้นทำามาจึงไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแน่นอน ทำรรมามันกลังเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกๆขณะแต่เราเกี่ยวข้องกับมันยังไงเขาว่าเราว่าถ้าความเป็นจริงเราเห็นหรือไม่มันคืออะไรกันแนะ่ะตรกนี้แหละมันคือตัวชีวิตของใครของเราที่เราจะต้องพาตัวเองเดินไปเป็นกําไรชีวิตของใครของเราเรียนมันเลยในโลกใบนี้ไม่ต้องกลัวกลัวจริงไหนก็ดอดใส่สิ่งนั้นเลยกลัวเรื่องการปฏิบัติธรรมก็กดอดใส่การปฏิบัติธรรมเล กลัวเรื่องการกันกระโดนใสยการงานแ ล, แล้วจะได้เรียน ร, รู้คืออะไรกันแน่กลัวสิ่งไหนหาสิ่งนั้นเลยจนนั่งมันกลายเป็นเรื่องการรู้เท่ารู้ทันตัวกลัวในละเอียดนิดหนึ่งตัวโกรธในหยาบสุดโกรธแค่นิ ด, น, ดนิดเดียวหมดงิจก็กลายเป็นโทสะแกลายเป็นความโกรธขึงเครียดผูกพยาบาทอาฆาตวัน้นนีไวัมากเลยแต่ว่าความกลัวเนี่ยมันละเอียดนิดหนึง่งอายชั่วกลัวบาดเนี่ยละเอียดมากเลยนะ กลนะัวบาปนะใต้สื่อกายเป็นนะความกลัวที่กลัวโดยไร้เหตุผลนะมันมีอยู่เราจึงแก้ด้วยความรู้สึกตัวจนกระทั่งความกลัวที่เกิดจากความคิดและกลัวคิดและกลัวคิดและกลัวคิดและไม่กล้าอนะไรประนั้นะกลัวกลายเป็นเรื่องการเคลียร์พื้นที่เลยเป็นปกติทั้งหมดเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนี้มันแก้ได้ทุกอารมณ์ทุกๆอาการที่เกิดขึ้นที่เนื่องจากจา ก, จากความคิดการปรุงนะนะมันแก้ได้ทุกตัวน วันนี้ก็พูดมาประมาณสี่สิบนาทีก็เพื่อให้เหมือนก็ว่านักบัตได้เห็นอะไรบางอย่างว่าสิ่งที่พูดเนะ่ยแต่น้อมเข้ามาใส่ตัวก็มีในตัวเราเหมือนกันแล้วก็ถึงยังไม่มีก็ตามก็เดินต่อไปนะไมเจ้ามีสิ่งที่พูดเนี่ยแน่นอนเพราะมันคือคําพูดที่เป็นประสบการณ์จากการปิดบัติเหมือนกันเป็นอรอยที่ยังจําได้อยู่มันเป็นรอยการเดินทางของจิตใจเรา ซึ่งมีอยู่ในตัวเราแล้วทุกคนแล้วกไอ้สิ่งทีนะ่พูดออกมาเมื่อวานหลวงพ่อท่านก็พูดถึงแง่าามุมต่างๆต้องรู้ให้มันครบนะเพราะนั้นแง่าามุมต่างๆมันมอยู่ในตัวเราแล้วทุกคนแต่ว่าสติที่มันแยบกายะที่มันว่องไวนแล้วก็รู้ชัดเนี่ยตัวนั้นนมันมีแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็จึงปฏิบัติกันเพื่อเป็นการเดินทางเห็นทุกแง่ทุกมุมกันต่อไปนะ ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านที่มานะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันก็มีโอกาสที่จะเปิดตาในแล้วก็ผ่องใสเบิกบานแล้วก็เหมือนกับว่องไวจะต้องเห็นชัดเจน ย, ยิ่งขึ้นไปสมควรแก่การปฏิบัติจะต้องทำที่สุดแห่งกองทุกนะสำเร็จในวันชาตินี้โดยทุนนากการทุกรูปทุกนันเธอ